กายนี้เชื่อมนะปกติกายนี้เชื่อมไว้ด้วยน้ํามันคือตันหานะกายเนี่ยเกิดจากตันหานตันหาเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวเนี่ยนะขึ้นมาผ้าอารยะทั้งหลายท่านก็คลายอ่ะตันหานั่นแหละอย่างนี้ว่าตันหาเนี่ยทําบุรุษให้เกิดใช่ไหมตันหาเนี่ยแล่นไปสู่จิตของบุรุษนั้นนะก็พาบุรุษนั้นเนี่ยล่องไปในวัฏฏะทั้งหลายเนี่ยนะเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ผ้าอารยะทั้งหลายท่านก็คลายตัว ตันหาเหล่าเนียออกจากใจของท่านเพราะฉะนั้นท่านคายน้ามันที่เชื่อมออกแล้วก็เลยทิ้งกายอันนี้ก็ไม่ถือเอากายอันใหม่ถ้าเจาะโดยละเอียดก็คือทิ้งตาอันนี้ก็ไม่ถือเอาตาอันใหม่ทิ้งหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ไม่ถือเอาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่อีกต่อไปเหล่าสัตว์ต่างๆภายในจอมปลวกย่อมเกิด ที่ปฏิสนธิอ่ะนะถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสวะนอนเจ็บไข้ตายตกไปในจอมปลวกนั่นเองจอมปลวกนั้นเป็นเหมือน ts, เรือนค hm, ลอดเป็นเหมือนส่วมเป็นเหมือนโรงพยาบาลเป็นเหมือนสุสานของสัตว์เหล่านั้นด้วยประการชนี้ฉันใดนะถ้าใครเคยขุดพวกจอมปลวกนี่จะรู้ละว่าะว่าเป็นทั้งที่เกิดเป็นทั้งที่ถ่ายอุจจระปัสวะที่ป่วยที่ตายอ่ะนะเป็นที่ฝังศพของของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในจอมปลวกนั่นแหละ แม่ร่างกายของกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นอย่าว่าเราเราท่านท่านเลยโดยที่สุดแม้กษัตริย์ที่มั่งมีร่ํารวยเนี่ยนะกษัตริย์พรามแพทย์สูตรหรือว่าตระกูลไหนก็ช่างเถอะพวกกิมิชาติประมาณแปดหมื่นเหล่านไก็บางท่านก็บอกว่าประมาณแปดสิบ น, นะเนก็พวกกิมิชาติเหล่านั้นเนี่ยพวกที่อาศัยผิวก็กินผิวพวกที่อาศัยหนังก็กินหนังพวกที่อาศัยเนื้อพวกที่อาศัยเอ็นอาศัยกระดูกอาศัยเยื่อในกระดูก พวกนั้นก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะนอนกระสับกระส่ายด้วยความไข้ตายตกไปภายในกายนั่นแหละโดยที่ไม่นึกว่าอู้นี่เป็นกายของผู้มีอานุภาพมากที่คุ้มครองรักษาแล้วประดับตกแต่งแล้วอ่ะนะกายแม้นี้ย่อมเป็นเหมือนเรือนคลอดเ ป, เ, อเป็นเหมือนส้วมเป็นเหมือนสุสานเป็นเหมือนโรงพยาบาลของพวกกิมมิชาติเนี่ยนะ อ้าวพยาธิมันก็เกิดที่นี่นะมันก็ผสมพันธุ์ที่นี่มันก็คลอดมันก็แก่มันก็ตายมันก็เน่าไปอยู่ที่นี่แหละพวกอื่นๆอีกตั้งมากมายเนี่ยนะในขณะเดียวกันก็คิดนะว่าของเราเนี่ยฝังศพไปไม่รู้กี่พันศพในกายนี่ใช่ไหมคุ้มชูศพกุ้งไปเท่าไหร่แล้วศพกุ้งศพปลาศพหอยศพปูศพเป็ดศพไก่ศพหมูพวกเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะโอ้ยฝังศพไปไม่รู้กี่ศพเนี่ยนะ ศพที่อื่นเนี่ยท่าที่ไหนฝังศพเราค่อนข้างกลัวใช่ไหมแต่ที่นี่มันฝังลงทุกวันทุกวันทุกวันบางคนวันละสองมือสามมือเนี่ยนะวันไม่รู้กี่ตัวต่อกี่อย่างเนี่ยนะวันหนึ่งบางทีฝังฝังไว้ตั้งหลายศพอะ่ขะขนาดนั้นก็ตีที่ข้องกันนะไม่ไ ม, ไม่ไม่น่ากลัวไม่กลัวนะแต่สุสานภายนอกไม่น่ากลัวเท่าสุสานภายในนี่หรอกฝังศพไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพฝังไว้ในร่างกายอันนี้กายอันนี้เนี่ ย, ย, ยท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับรัง ถามว่ารังก็คืออะไรรังก็คือรังโรคอันนะเป็นที่เก็บโรคอะ่ะเป็นที่รังแผงโรคคือผุพังเนี่ยนะนะโรคอะไรบ้างอะ่ะมีส่วนไหนบั่งที่ไม่เป็นโรคอ่ะนะพน <ST> S> <S เพราร raf, ะทุกอย่างนี่เป็นรังของโรคหมดเลยนะโรคตามีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีจมูกก็โรคจมูกมีลิ้นก็โรคลิ้นมีร่างกายก็โรคกายอ่ะมีหัวก็โรคหัวมีผมก็โรคผมอ่ะทุกอย่างนี่เป็นรังของโรคโรคเกิดได้สารพัดอันจึงเรียกว่าเป็นรังรังของโรค ร่างกายอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าเป็นนครนครเพราะเป็นที่ท่องเที่ยวไปของชองชอบใจและของไม่ชอบใจเห็นไหมคือบ้านเมืองดีๆนี่แหละว่างั้นเถอะเมืองใหญ่มากเลยตัวนครคือร่างกายอันนี้หรือกายนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากระท่อมเรียกว่ากระท่อมเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของอ่าเป็นที่อาศัยแห่งปฏิสนธิเนี่ยนะหรือเป็นที่อาศัยแห่งจิตนะที่บอกว่ากระท่อมนี้มีห้าประตูใช่ไหม จิตมันก็ไหลเข้าจิตก็ไหลออกเนี่ยนะมันกายเนี่ยเป็นเหมือนกับกระท่อมห้าประตูกายนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าฝีนะฝีก็คือเป็นของเปื่อยเน่านะเป็นฝีเป็นลูกศรอนนะท่านจงพิจารณากายนี้แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศ้อนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ย อันใกายนี่แหละคือฝีดีๆนี่แหละ น, นนะว่ามันก็แตกมาไหลออกมันก็ฝีทุกแห่งจริงๆอ่ะนะถ้ายิ่งหายใจท้องเตุ๊บตุ๊ตุ๊๊เนี่ยนะโอ้ถ้ามันแตกออกมาแล้วทะลักออกมาแย่เลยนะท้องแตกเนี่ยนะไนะส้ทะลักไหลออกมาเนี่ยนะถ้าทะลุไส้อ่ะหนักเข้าไปอีกเลยนะนะกายนี้เป็นเหมือนหม้อเพราะอถาว่าแตกเหมือนในประโยคว่ารู้แจ้งกายนี้อ่ะอันเปรียบได้กับหม้อเหมือนกับหม้อะนะีมันแตกเป็นนะ่ะทุกอย่าง คือถ้าถ้าสังเกตดูหม้อนะหม้อมันจะมีรอยร้าวนะถ้าดูคนที่บวมๆ น, นะเธอผิวมันแตกเนี่ยมันก็คล้ายๆ ก, กันกับหม้อจะแตกนั่นแหละเหนะั้นคําคำว่ากายเสยตังอธิวจนังเนี่ยนะคือมีประการดังดังกล่าวแล้วอ่ะเป็นชื่อของที่อยู่ของสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายซึ่งสำเร็จมาแต่มหาภูตรูปสี่็นกะ็กายเนี่ยเป็นที่ประชมแห่งปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุ ปัวีธาตุก็มียี่สิบนะคือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าปัทวีธาตุนะนะมันสมองในกระโหลกศรีรษะด้วยส่วนอาโปธาตุอาโปธาตุก็คือน้ํนาดีน้ําเลือดน้ําเสลดน้ําน้องน้ํา ม, มันขน้นน้า ม, มันเลีวน้ําไ ข, ข่ข้อน้ํา ม, มูกอันนะ้ํา้ปัสสาวะเนี่ยพวกนี้เรียกว่า อโปธาต์ซึ่งนับโดยละเอียดก็มีสิบสองส่วนเตโชธาต์ก็คือธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นนั่นนะธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไข้ให้ชราสุดโทมแล้วก็ช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะนั <_ pt ill> ้นเรียกว่าเตโชธาต์มีอยู่สอย่างส่วนวายโยธาต์ก็มีอยู่หอย่างลมพัดขึ้นเบื้องบน ล, ลมพัดลงเบื้องต่าลงในช่องช่องท้องอันนะคือตัวท้องเช่นในพวกเอ่อพวก กระบังลมเป็นต้นเนี่ยเรียกเขาอยู่ในกลุ่มช่องท้องเนี่ยนะหรือว่าธาตุลมที่อยู่ในที่ที่อยู่ตามลําไส้อะที่มันทําให้ลําไส้ขยับตัวเนี่ยนะแล้วก็ลมพัดทั่วสารพรางกายทําให้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้โดยที่สุดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่มหาภูตรูปทั้ง4นี้ว่าโดยรวมก็เกิดจากสมุทฐานสี่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหาร อันสิ่งเราเนี่ยเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่น่าเกลียดเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่น่ารังเกียจเนี่ยนะทันพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนเนี่ยผู้ติดข้องอยู่ในในกายเนี่ยนะคำว่าผู้ติดข้องอะนะคือผู้ข้องอ ะ, ค, อองอะคือติดแน่นนะแล้วก็เกี่ยวข้องคือกําหนัดในสีกําหนัดว่าตัวเองเนี่ยิผิวสวย <c oughs> เสียงดีเป็นต้นอะ หรือว่าข้่องทั่วคือกำหนัดในรูปร่างสันฐานสวดทรงเป็นตนน้นติดว่าร่างกายเนี่ยงามติดว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความสุขกันนะแมะบริหารกายเนี่ยถือเหมือนบริหารความสุขแล้วก็ติดพันอยู่คือยึดว่าเป็นอัตราของตัวเองเ ย, นะยึดว่าเป็นเราบ้างยึดถือว่าของเราบ้างเกี่ยวข้่องอยู่ในถ้ำคือร่างกายเนี่ยนะก็ไม่ยอมปล่อย กำหนับเนี่ยนะพระมีกายอันนี้ยพอมีตาก็กำหนัดในการเห็นอนี่ยนะกายอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งหูก็กำหนัดในการได้ยินเป็นที่ตั้งแห่งจมูกก็กำหนัดในการรู้กลิ่นนีนะมีลิ้นก็กำหนัดในรสอาหารต่างๆะมีร่างกายก็กำหนัดในเนี่ยการเครื่องแต่งตัวกำหนัดใน <c oughs> อิริยาบถเป็นต้นนะนะเหมือนสิ่งที่ของอเหมือนสิ่งของที่ข้องเกี่ยวข้อง ข้องทั่วติดทั่วพัวพันพันอยู่ข้องอยู่ที่ตะปูซึ่งติดไว้ที่ฝาหรือไม้ขอฉะนั้ น, น, นนะคือมันไปข้องเหมือนอะไรก็เห็นไหมถ้าสมัยนี้เขาเรียกสกรูนะมันยึดอะไรติดเอาไว้ติดข้องไว้แบบนั้นนะ่ะเหมือนตีตะปูตอกเอาไว้เหมือนยึดเอาไว้หรือเหมือนไปแขวนอะไรไว้มันติดอยู่อย่างนั้นแหละมันข้องนั่นนนั้สรุปว่านรชนเนี่ยเป็นผู้ข้องอยู่ในถ้าคือร่างกายอันนี้ <c oughs> สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากความเข้าไปถือมั่นความเข้าไปยึดถือในรูปอันเป็นที่มานอนเนื่องแห่งอภินิเวสคือกิเลสเนี่ยนะที่เครือคันธะเครื่องยึดมั่นอย่างมั่นคงแห่งจิตบุคคลผู้มาเกี่ยวข้องอยู่ในความพอใจ ความกำหนัดความเพลิดเพลินความอยากความเข้าไปถือมั่นความเข้าไปยึดถือในรูปนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์แปลสรุปรวบยอ่ยอว่าที่เรียกว่าสัตว์ก็เพราะเป็นผู้คล้องข้องในอะไรข้องในรูปเนี่ยนะค้องในผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกนะี่ยหรือว่าข้องในเวทนาความสุขทั้งหลายเนี่ยนะค้องในสัญญาข้องในสังขารข้องในวิญญาณอั้นคําว่าสัตว์นี่ก็คือผู้เกี่ยวข้องผู้ขคล้องคล้องอะไรคล้องในร่างกายนี่แหละนะ อะไรก็ตามที่เป็นผลพวงของร่างกายก็ติดข้องอีกเนี่ยนะเช่นเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะเวทนาก็เกิดโดยอาศัยกายก็ข้องแม้กระทั่งในเวทนาอีกกันกระวศัดก็คือผู้ข้องทีนี้เมื่อข้องไว้อย่างนี้แล้วกิเลสเป็นอันมากก็ปิดบังเขานะกิเลสเป็นอันมากคืออะไรก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงนะ่ะราคะโทสะโมหะเนี่ยนะแล้วก็ยังกโกรธ น, นะะ ความผูกโกรธผูกโกรธก็คือโกรธบ่อยๆนะลบดูตีเสมอนี่นะลบดูคนอื่นตีเสมอคนอื่นเป็นคนริษยาเป็นคนตณนีนะเป็นคนหลอกลวงเป็นคนโอ้อวดเป็นคนหัวดือ้อแข็งดีเป็นคนถือตัวดูหมิ่นคนอื่นนะเป็นคนมัวเมาเป็นคนประมาทแล้วก็ปิดบังแล้วอันกิเลสทั้งปวงนี่นะกิเลสกนะกิเลสทั้งปวงก็คือบาปอกุศลทุกชนิดนะนะทุจริตทั้งปวง ความกระวนกระวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอภิสังขารคืออกุศสลธรรมทั้งปวงเนี่ยก็มาปิดบังเอ่อปิดบังเอาไว้คลุมเอาไว้หุ้มหอ่อเอาไว้ปิดไว้ป ก, ป, กปิดบังปกปิดปกคลุมครอบงามแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้คล่องอยู่ในถ้ำก็เลยเป็นผู้กิเลสเป็นอันมากเนี่ยก็ปิดบังเนี่ย เรียว่าติดข้องรักผูกพันติดในร่างกายเป็นอย่างมากพอติดในร่างกายและกำเละกิเลสมันก็เอาแล้วครับนี่กิเลสสารพัดอย่างมันก็เกิดที่อาศัยร่างกายเนี่ยนะเกิดขึ้นคิดดูหน่อยผู้ที่ติดข้องในร่างกายเนี่ยนะปัญหามันเกิดสารพัดที่จะเกิดนะอาศัยที่เพราะความติดข้องในร่างกายนะความเดือดร้อนวุ่นวายในโลกที่เราเห็นเเนี่ยนะเกิดจากผู้ที่ติดข้องในร่างกายทั้งนั้นเลย ถ้าเขาไม่ติดข้องในร่างกายปัญหาในโลกที่เห็นเห็นที่เรารับรู้ไม่มีหรอกแต่เนื่องจากว่าไอความติดความข้องในร่างกายนี่แหละกิเลสสารพัดบานเบอะเลยที่มันมีอยู่ในทุกวันทีนี้พอกิเลสมากขึ้นอย่างนี้แหละนะก็ตั้งอยู่ก็หยั่งลงในที่หลงตั้งอยู่ด้วยอํานาจไรตั้งอยู่ด้วยกิเลสเห็นะกิเลสเนี่ยมาปิดบังแล้วก็ตั้งอยู่ด้วยอํานาจกิเลสตั้งยังไงนะเวลาตั้งนะคือมันตั้งเป็นเวลานะตั้ง ตั้งทีละอย่างทีละอย่างเช่นว่าเมื่อตั้งอยู่ก็เป็นผู้กำหนัดย่อมตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเนี่ยนะราคาก็เกิดใช่ไหมเจอสุภาพนิมิตก็ตั้งอยู่ด้วยสุภาพนิมิตนั่นแหละเจอของสวยของงามของดีของประนีตก็ตั้งอยู่นั่นแหละเนี่ยนะราคาก็กำหนัดยึดอยู่นั่นแหละไม่อิ่มไม่เบื่อสักทีหนึ่งะทีนี้ก็เป็นผู้ขัดเคืองก็ย่อมตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งความ ขัดเคืองอะนะไอ้สิ่งที่งามงามสวยสวยนั่นแหละถ้ามันเปลี่ยนไปก็โกรธเครียดไม่พอใจไม่สบายใจเดือดร้อนใจเร่าร้อนใจไม่พอใจหงุดหงิดนะนะโทสะทั้งหลายก็เกิดขึ้นนะเรียกว่าความขัดเคืองก็เกิดหรือว่าความหลงเป็นผู้หลงย่อมตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งความหลงเนี่ยนะก็มีโมหะนะอวิชาก็เกิดขึ้นสรุปว่าชีวิตที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้เห็นอริยสัจอะไรเนี่ยนะ มกมุ่นไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้อะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นวิบากวัฏตะสงสารมันเป็นไปยังไงจะชํำรกออกยังไงจะเพิกออกได้ยังไงก็ไม่รู้สักอย่างนะเรียกว่าตั้งอยู่ด้วยความหลงแล้วก็เป็นผู้ผูกพันตั้งอยู่ด้วยส า, สามารถแห่งความถือตัวคือม า, น, านะนะคือถือตัวถือตัวตัวเองก่อนนะนะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยแบบนั้นแบบนี้ มั่นใจว่าดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าเร็วกว่าเขาอ่ะนะก็ถือตัวพอถือตัวอย่างนี้ก็ดูหมิ่นคนอื่นแลน่นนะใครมันจะสวยเท่าเราเนี่ยนะก็ตัวเองก็ยึดถือถือตัวว่าฉั้นเป็นคนสวยเป็นคนดีเป็นคนทุกอย่างอ่ะที่ตัวเองมีอยู่ในตัวเสร็จแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นนั่นสู้ฉันไม่ได้เล็วเหลือเกินอย่างี้นะนี่เรนะียกว่าความดูหมิ่นคนอื่นเพราะก็ตั้งอยู่แบบคนถือตัวนะด้วยมา n ะเนี่ย ยึดถือด้วยความสามารถแห่งความเห็นนะก็ทิฏฐิแล้วนะทิฏฐิมันก็พาไปเที่ยงถือว่าเที่ยงบังถือว่าขาดศูนย์บ้ังถือว่าอัตตาบ้างถือว่าของอัตตาบ้างเป็นต้นนะทิฏฐิก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้ฟุ้งซ่านตั้งอยู่ด้วยสามารถแห่งความฟุง้งซ่านนะนะก็ฟุ้งไปเรื่อยนะด้วยอำนาจของอุทจจะไม่มีความสงบในจิตเลยไม่มีอุปจาระสมาธิไม่มีอัปนาสมาธิดํารงอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านนี่นั่นแหละ แล้วก็เป็นผู้ไม่แน่นอนด้วยสา ม, มารถแห่งความสงสยัยเนี่ยนะก็วิจิกิจชาก็เกิดขึ้นสงสยัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในอดีตอนาคตเป็นต้นนะนะก็สงสัยไปหมดอ่ะเป็นผู้มีความมั่นคงด้วยสา ม, มารถแห่งกิเลสที่เป็นอนุสัยนะคื อ, อยังละไม่ได้นะกิเลสมันมั่นคงมากเจอของสวยก็ชอบเจอของไม่สวยก็ชังเนี่ยนะทุกอย่างก็ไม่พิจารณาทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเป็นที่ตั้งแห่งความสงสยัยอ่ะคนพวกเนี้ย อนุสัยก็เกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสที่ยังละไม่ได้เป็นชื่อของกิเลส ท, ที่มีกําลังมากนะเพราะฉะนั้นนรชนเมื่อตั้งอยู่เนี่ยนะเรียกว่าตั้งอยู่ด้วยหนึ่งกำนัดหรือเรียกว่าราคะสองตั้งอยู่ด้วยโทสะสตั้งอยู่ด้วยโมหะสตั้งอยู่ด้วยมานะหตั้งอยู่ด้วยทิฏฐิ6ตั้งอยู่ด้วยความฟุ้งซ่านเจตั้งอยู่ด้วยวิจิกิจชาแปตั้งอยู่ด้วยอนุสันนันนี่ยคือชีวิตของสัตว์ที่ดํารงอยู่นะไม่มีไม่พ้นไม่ยังได้ก็อย่างหนึ่งน ไม่ราคะก็โทสะไม่โทสะก็โมหะไม่โมหะก็มานะไม่มานะก็ทิฐิไม่ทิฏฐิก็ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านก็สงสัยไม่สงสัยก็อนุสัยกิเลสมันก็กลุ่มรุมอยู่นั่นแหละ